เป็นเอามาพึมาผ่ามาเกาเราล้มเป็นล้มในห้องน้ําพอน้มห้องน้ำเลยก็อ้อมากอะลูกชิดก็ถามผมไปเป็นไหนลงพอว่าเป็นอย่างตัวบอเป็นอย่างหอกแต่ปวดหัวแดง่วดตาน่ะไปแล้วก็จัดอาหารให้ฉันฉันจังหันฉันคักสันแหน่หลิวสันเอ่สันสั่งสันสันซั่งสันลาวันไปพ่อกินฉันจังหันเรียบร้อย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 พาก็พาก็ตายไม่พาก็ตายคนว่าพาก็ตายเพราพาก็ตายก็จะไปพาให้เผอหล่ะน้อไปเอากับคือนก็เลย พ, พักจะลงพยาบาลทันไปห้พ่อ อ, อจากลงพยาบาลพลันก็เลยมรณาภาพอายุพิันกับเจ็ดสิบปีท้องกับเจ็ดสิบเอ็ดปีจะเข้ามานี่นว่พันษาพิันน้อยกวลงพอ้อพันษานึง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 มาจังหวัดร้อยเอ็ดเพราะว่าทางคณะสงฆ์ผานำย้อยลูกศิษย์หลวงปู่ใหญ่หลวงปู่สีเฮ้าเนี่ยเพื่อนิมนต์คู่บาอาจารย์ไปนมิมนต์วัดหลวงพอ่อเป็นนิมนต์หลวงพอ่ อ, พอมาแสดงธรรมไอ้มาเทศหลวงพ่อก็บอกเลยวันเกิดของหลวงพ่อก็วั น, วนที่ยี่สิบเจ็ดก่อนหน้านี้ก็ได้จัดคนเข้ามาเกี่ยวข้องกัเมื่อยพอแห้งแลวจะเฮิไปอยู่บ่อ โอ้ได้เตรียมเพื่อหลวงพ่อไปพ่อแห้งเราท่นการทวารไม่ไปกัดเดียวกับที่จะหาผู้เลิศมมาเทศอีกมาเฮาก็เลยเออเอาเอ่ามย์ทางมมยกับไป่ะออพอไปพ่อมาเมื่อวานหนึ่งสี่สิบโมงกว่าเลยลูกหลานเลยมามาจากนาคําน้อยมาหาผ่านน้ําย้อยอพ่อมาแล้วก็มาพักแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณถุบหนึงแต่หลวงพ่อก็ได้เอาหนังสือมาแจ้ง ในงานของเพ้นคือเดี๋ยวแจกพระสงฆ์เยี่ยมพี่สมกําลังสือแจกคณะสัทญาติโยมที่มาฟังเทศเออลุกหลาญสัทญาติโ姆เนอะคันผู้เล่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วไม่จุใจเอออยากจะฟังอีเรือว่าฟังหลวงพ่อว้อเนี่เออฟังดูแล้วเออมีเห่าเจอเออมีเห่าเจอแลว้วก็เพิบฟังเทศ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 เป็นอาจารย์ของพวกเฮาทั้งหลายบูรพาอาจารย์ขี้แรกก็คือพ่อแม่พ่อแม่เนี่เป็นบูรพาอาจารย์เนอะลูกหลานคณะชาติไทญ า, าติโยมทั้งหลายเนอะพ่อแม่เนี่เป็นเป็นอาจารย์คนคนแรกเป็นอาจารย์คนแรกสอนบุตรธิดาสอนลูกสายลูกชายลูกสาวของเจ้าของออพอลูกเกิดเกิดขึ้นมาแล้วเอากินนมเนี่นี่ยเนอกินข้าวเนี่เนี่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 เลียนศึกษาเบื้องต้นการเป็นยู่การข้องเชพอแต่หลวงปู่ศีหลวงปู่ ล, ลาเนี่ยหลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นอาจารย์สอนเฮ า, าหูจักศีลหูจักธรรมหูจักสิ่งค่วรมุขขวรหูจักาบาปหูจักบุญหูจักคุณหูจักโทษกอหูจักนรกสวรรค์ให้ปฏิบัติตนจังใดจึงจะเมาอสงเป็นธรรมจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพาน อันนี้คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเฮาเรียกว่าเป็นบุรพาจารย์อันนี้กับอันเนืงนนเน้อในหลวงพ่อเรวเทศเมื่อคืนนี่ให้คณะสัทธาญาติโยมผ่าน้ําย้อยน่ะเทศอยู่ในเจดใีใหญ่เลยะเจดีใหญ่ผาน้ําย้อยอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ก็พาะไหลนะเกือบสามร้อยคนในเมื่อคืนนี่แต่สัทธาญาติโยมก็เบิ่งกับ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 งบตั้ง8ปดสิบกว่าล้านน ะ, ะเผอเผยจะเข้าเก้าสิบล้านสนะัวรสิแล้วใดและก็จ้อยวัดแถบๆนั่นแน่หลวงพ่อก็เลยยังฟังๆอยู่เมื่อข้าววันวันเกิดหลว ง, งพ่อนี่ยทั้งพออทั้งคู่บาจานก็เข้าไปไปกับเยื้นแปลนแปล น, ปลนรรงอาหารรวงเล้งโรงโรง เ, เลี้ยงเด็กต่อไป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 นั่งรถมาแวะจักหน่อยแล้วก็เจียงจิกับวัดแต่ขั้นมาพบมืันนี้แหละกับคู่บาอาจารย์มาพบวันนี้แหละกัหลวงพ่อเขคิดว่าจะบอกกล่าวเอ อ, เ อ, อที่อาคารโงเลี้ยงอาหารเด็กโรงเรียนนามสมโรงเรียนนน้องสูงพิทยาคมเนี่ยขนวัดจีเอ็ดงนมันขาดเหลือเพียงล้านห้าแสนไ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 อแต่ว่าหลวงพ่อถามพอออเมื่อาวานนี่ยเพื่นว่าประมาณชักลัดหาคือสิพอจะมา่หลวง พ, อพ่อเหรอเออเอา เ, อาเอาพราะนั้นหลวงพ่อมามื่อนี้เกิดมาแจ้งข่าวเฮอร้ อ, เองเลียนรงสูงเน้อกูบาอาจารย์ที่นั่งอยู่ในแจ้งบอกข่าวเพราะพอ่พอพออ๋อเพื่นก็บอกว่าเพื่นเดี๋ยวนี้เพื่นมีประชุมอยู่ที่นครพนมทิ่ม่ได้มาประชุมแต่ผมสิ บ, บาะคูบาอาจารย์มาหาคูบาอาจารย์รับหู ร, บรับทราบ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 สกลนครกระตามยพจริงเกษตรก ร, รุงเทพคนละ เ, เพิ่มมาตั้งมหาวิทยาลัายอยู่กเกษตรสกลนคร เ, เพิ่มส้มลมพุทธทีเาไปหาหลวงพอ่อประมาณจากักสี่ห้าสิบคนจะไป น, นอนค้างอยู่ที่วัดแต่หลวงพ่อกรบอกบพาเน้นชัดทา่ายัดงบึ ง, บงที่พักผ้าใส่เฮลุหล์หลานเนดะ้อเดี๋ยวตอนไปใบคันตอนคํา้ำคนละเดยวหลวงพอ่อจะกลับมา คันรถมีลงค้างถนนจะก็คงจะไปถึงจะมัง่งน่นแหละอันนี้แหละพาร่ของหลวงพ่อนะลูกหลานแต่ว่าถึงนนเนอเลยก็ตามได้มาพบลูกพบหลานนั่นๆที่ได้มาเห็นพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนถึงนนเนอเก็จะจะตั้งใจในความประมาทเนอะให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เบิ่งนุปูญะตายง่ายของพวกเฮา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 โอ้ยผู้ขาปวดแค ล, ลไล่หน่อเข้าไปไปตัดแว่นตาเธอนนหน่ะมันก็มีเือได้เมนบอ่ะเออเขาปวดแควเขาก็ต้องเอ็ดแคลให้ เ, เขาก่อนเออเมื่อเขาปวดตาเขาก็ต้องเอ็ดตาให้เขาก่อนเออยังคอยเอ็ดแคล เ, เขาที่หลังหนอันนี้ก็คือเดี่ยวนั่นแหละค่ะข้านะวา่าทางโรงพยาบาลต้องการยั้งจำเป็นยั้งก็ต้องเอ็ดเอดเรื่องนั้นก่อนให้เขาเมื่อเขาได้เรื่องนั้นแล้วเขาก็ สบายใจเพราะว่าให้ถูกจุดถูกความประสงค์ฮะหลวงพ่อนี่สงเคราะห์คู่คนหลวงพ่อจะคิดทดีก่อนเลยเว้นเสียจตเรื่องนั้นออกนอกลู่นอกทางเป็นการฟุม่มเฟือยเป็นการฟุ่มเฟือยอันนั้นหลวงพอ่อจึงยังไม่ทันเธอเพราะอะไเพราะมันเกินความจำเป็นมันมันว่าท่านจำเป็นสิ่งเธอสิสิ่งที่จำเป็นก้อน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 เพื่อจะได้แนะนําสร้างสอนพวกลูกพวกลาดอตอนนี้ไปตั้งเจอละพร น, นะบันนี้นะอุทิศส่วนกุศล น, นะอย่างท่ายกกล่าวคําถวายท่านนะั่นแหละกล่าวคําถวายท่านอุทิศกุศลกุศลให้พ่อแม่ปุยยะตายง่ายบ่งสาคนายดาดญาติมิตรหายเจ้ากรรมในเวนตกทุกข์ได้ยากก็ขอให้พ้นจากทุกข์มีความสุขด้วยแล้วก็มีความสุ ข, สขจริ ง, รงๆขึ้นไปเมื่อนี้เป็นวัน